ช่วงนี้เป็นช่วงที่เร่งงานสักหน่อยนะเพราะมัน ม, มีกำหนดอะไรเข้ามาอยู่ให้พระช่วยๆกันทำงานองค์ทาน้ำมันก็ทาน้ำมันองค์จะทำอะไรก็ต้องช่วยๆกันหน้าที่ไม่ใช่ค้าข้าไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่อันนั้นไม่ใช่พระวัดป่านาะคำน้อย แต่เป็นพระใหม่ไม่เป็นไรพระใหม่ไม่ต้องมายุ่งพระใหม่มีเวลาน้อยให้มาภาวนาพระผู้สูงอายุถึงจะม่มาทำงานก็ต้องปัดกวาดเลื่อมพระที่ทำงานพระผู้สูงอายุต้องปัดกวาดทำงานเบาส่วนพระหนุ่ม ช่วงที่ทำงานหลวงพ่อให้ทำงานหลวงพ่อเคยทำงานเคยสู้งานมาแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้บอกให้หล่อะเลแหล ะ, ล ะ, ละถ้าเห็นพระหล่อๆเลยแหละเนี่ยบอกได้เลยว่าอนาคตพระองค์นี้เนี่ยถึงจะเป็นผู้ใหญ่มาก็เป็นพระที่หล่อๆเลยแหล ะ, ล ะ, ล ะ, ละจะเป็นพระที่ไม่จริงจังพูดจางกันได้ ไม่ต้องดูอนาคตดูปัจจุบันนี่แหละอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขวนขวายไม่ต้องทายอนาคตไม่ต้องไม่มีอนาคตไม่มีไม่ต้องทายไม่ต้องทำนายเพราะเหตุไรก็เพราะว่าอดีตก็ไม่ขยันอยู่แล้วปัจจุบันก็เฉยเฉยเม่ยเมื่อยไม่รู้จักหน้าที่การงาน จะมีอนาคตได้อย่างไรคนที่จะมีอนาคตได้ต้องเป็นผู้มันขยันทุกด้านในขณะที่งานวัดเรื่องของวัดมีงานวัดจะต้องช่วยกันพระในวัดก็ต้องหันหน้าขาหากันช่วยกันทำงานเหลื่อมกันพระที่มีอายุอายุมากก็ปัดกวาดให้มากขึ้น พระที่หนุม่มที่จะมาช่วยอันไหนได้ก็ต้องมาช่วยมันต้องลักษณะอย่างนั้นทำงานเหลื่อมกันหลวงพ่อเคยทำมาอย่างนั้นวัดวาศาสานาจะเป็นมาได้ก็ต้องอาศัยพระอาศัยโยมสิ่งไหนพระทำไม่ได้โยมก็ต้องช่วยการทำเพราะนั้นแต่พระในวัด เด่นเด่นด้านด้านเงอะเงอเงักเักเฉยเฉยเม่เมยไม่รู้จักหน้าที่การงานไปลว่าพระไรคุณภาพไม่ใช่ไร้คุณธรรมนะไรคุณภาพเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ทางด้านจิตใจเราก็ให้ทำแต่ภายนอกเราก็ต้องศึกษาต่อไปภายภาคหน้าอายุมาก ไปเป็นสมพานทำอะไรก็ไม่เป็นถึงจะตัวเองจะไม่ทำก็ชี้ให้คนอื่นทำทำเป็นอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่คุยนะมองอะไรมันรู้เลยว่าอันไหนเป็นยังไงอันไหนเป็นยังไงละเอียดไม่ละเอียดดีหรือไม่ดีไม่ต้องไปทำหรอกชี้ให้ทำเลยเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเคยผ่านงานมาแล้ว ผ่านงานการก่อสร้างมาแล้วที่วัดป่าบ้านตาดออกจากวัดป่าบ้านตาดก็มาที่นี่เลยเพราะนั้นหลวงพ่อทําเกือบทุกอย่างในสมัยขณะที่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงรู้ว่าตีตะปูนะทํำยังไงตัดไม้ทํำยังไงผสมปูนทํำยังไงหลวงพ่อเคยเพราะนั้นต่อไปภายภาคหน้านะเหมือนกันนะ พระอยู่ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่นี่ไปตลอดต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้ใหญ่มาอยู่ที่นี่ก็ทำอะไรไม่เป็นพอออกไปข้างนอกนั่นนะทำอะไรก็ไม่เป็นอีกบริหารจัดการไม่เป็นอีกจะเป็นหัวหน้าเขาได้อย่างไรเข้ามานี่เพื่อการศึกษาหลวงพ่อสอนพระสอนเนหลวงพอ่อไม่ใช่สอนให้อยู่กับตัวเองนะ สอนเพื่อเป็นวิชาสมพานธ์วิชาเจ้าอาวาสถึงจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามแต่ให้เรียนรู้เอาไว้ต่อไปภายภาคหน้าเราจะ เ, เรียนรู้วางแผน ง, งานทำยังไงตีผังทำยังไงที่จะสร้างกุฏิสร้างที่พักภาอาศัยเขาตีผังยังไงเขาทำผังยังไง เขามีแปลนยังไงสิ่งเหล่านี้มันต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกท่านทางหลายนะต้องช่วยๆกันการเรียนการทํางานนะี่ยเพื่อการเรียนรู้นะอย่างจงพ่อก็เหมือนกันเรื่องผ้านะออกกัญชาแล้วพระตัดเย็บกีวรเรื่องการตัดเย็บจีวรตัดตามจริงก็ไม่จําเป็นเพราะเราผ้าทุกวันนี้มีเยอะ ผ้าดีๆที่เขาตัดเย็บมาใช้ได้แต่ว่าหลวงพ่อเห็นเห็นพระเขาตัดจีวอนในขณะที่ช่วงออกพรรษาหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรเพราะเหตุไรเพราะรุ่นพี่จะได้สอนรุ่นน้องรุ่นน้องจะได้เรียนรู้ว่าวิธีตัดเย็บทำยังไงเวลาตัดทำยังไงเวลาเย็บทำยังไงจะต้องได้เรียนรู้ เ็นเสียจะทาอยับพุ่าเพื่อเลือรังอันนั้นเออหลวงพ่อจ้องบอกหยุดแต่ว่าทำาน่หลวงพ่อไม่ว่าเพราะเห็ไหุไดพอจะต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่การการตัดเย็บจีวรถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าเราอาศัยแต่ผ้าตลาดอย่างเดียวถ้าว่ามีเกิดศึกสงครามสงครามขึ้นมาแล้วทำยังไงไม่มีใครตัดเย็บผ้าให้ ต่อไปก็มีมีอะไรก็มีแต่เอาผ้าย้อมๆหน่ยอยก็ผ้าน้อยห้อยหูเท่านั้นเอาผ้าน้อยห้อยหูตัวเองไเนี่ยเพราะเหตุหไรเพราะพระในวัดตัดเย็บผ้าไม่เป็นสิ่งนี้หลวงพ่อก็บอกพระเหมือนกันต้องเรียนรู้ทางไหนที่พักพ้าอาศัยเสนาธนะผ้าจีบอนุน่งห่ม ต้องได้ตัดต้องได้เย็บต้องได้จัดต้องได้ดูต้องได้เรียนรู้วิธีการทำแต่เราก็ไม่ได้ทำให้หรูหราโออาร์ R, ประดิษฐ์ประดอยลายพญาคุดพญานาคเทวดาเทพพนมไม่ถึงขนาดนั้นเราเป็นพระกรรมฐานแต่ถึงยังไงก็ให้มีให้มีที่พักพาอาศัย วางแผนให้ได้วางผังให้ถูกวัดเข้ามาแล้วจะมาลักษณะยังไงกุติแต่ละหลังหันหัวไปทางไหนหันศีรษะไปยังไงบางทีหลวงพ่อไปเห็นกุติหลวงพ่อไปพักมาใหม่ๆไปเห็นดูๆแล้วกุติต่ำๆรู้ลาพอที่นอนลงไปนู่นหันหัวไปทางบันไดน ทั้งที่เป็นพระเทระหันหัวไปทางบันไดเออลูกศิษย์ทำยังไงการที่จะสร้างกุฏิมันก็ต้องรู้จักว่าหันศีรษะไปทางไหนห้องน้ำอยู่ทางไหนอันไหนมันยังไงมันจึงจะถูกต้องอันนี้โน่นหันหัวไปทางบันไดทางคนขึ้นเออเขาคิดได้ยังไงแสดงว่าพลาดไม่คิดดูๆแล้วไม่มีสูงไม่มีต่าไม่มีที่จะ ตรงไหนเป็นตรงไหนอ่านไม่ออกสิ่งเหล่านี้เราไปเห็นแล้วเราก็มองดูเรารู้ได้เลยวันผู้ที่สร้างศัต่์ว่าสร้างหลับหูหลับตาสร้างไม่ได้คิดความเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรนี่มันมองเห็นได้เพราะเหตุไรเพราะว่าผู้สร้างไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้คิดว่า ทางไหนสูงทางไหนต่ำทางไหนควรไม่ควรอย่างไรหลวงพ่อไปเห็นเนึ่ยเนาะผมพ่อก็เสีให้พวกโยมพวกพระที่ติดตามหลวงพ่อไปเนี่ยนะดูซิกุฏิลังนี่กุฏิสวยงามดีนะหรูหราโออาดีนะทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ว่าดูซิห้องน้ำมาอยู่อีกทางหนึ่งบันไ ด, ดอยู่ทางหนึ่งที่รับแขกอยู่ทางหนึ่งแล้วหันหัวไปทางบันได ทั้งที่เปิดเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเปิดมาทางหัวอีกทีหน้่อทางหัวพระเถลระอีกป ร, ประตูเข้ามาทางหัวไม่รู้จะหันไปทางไหนหันไปทางหนึ่งก็ไปหันไปห้องน้ำห้องส้วมสูเจ้าตดูที่อดุตีลังนี้มนันแปลกนะวะนี่แหละหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อสังเกตนะที่สูงที่ต่ำที่เหมาะที่ควรอย่างไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไร จะหันไปทางไหนจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องนี่แหละสิ่งเหล่านีออ้มันต้องเรียนรู้เคหะวิทยาการเป็นอยู่ที่พักผาอา อ, อัยใสไม่ใช่ว่าทำเข้าไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดตามไม่จริงก็จริงแต่หันหัวไปทางไหนก็ได้ ใครเป็นคนสมมติหัวต่ำตีนสูงเราเป็นผู้สมมุติแต่ว่าถึงยังไงโลกสมมุติเขาก็ยังสมมุติอยู่ในครั้งพุทธกาลมีที่พระพุทธเจ้าท่านปารพบปารพบถึงภาษารีบุตรภาษารีบุตรเถระภาษารีบุตรเถระตะกอนท่านเป็นลูกเศรษฐี พะรูปเศรษฐีได้ไปฟังมหรสพกับพระโมกคราที่เป็นเพื่อนกันที่ว่าตั้งโต๊ะขึ้นนั่งสูงๆมีบริวารคนะห้าร้อยแต่โมกครากษะาทิบุตรนั่งเรียงกันเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเวลาดีอกดยใจตกไม้ตกมืออ้าวลงไปทิพเอาของไปให้รางวัลแก่คนที่ทำเก่งเราจะขึ้นมานั่ง แล้วก็ให้รางวัลแก่คนเพราะลูกเศรษฐีเนี่ยเขามาเล่นเล่นและเล่นในระแวกนั้นโมกครากรสารบูเเนน ร, รเนี่ยเป็นน่มคนทั้งหลายก็ก็รู้แหละเนี่ยเป็นน่มที่มีเงินมากลูกเศรษฐีแต่วันนั้นพอไปเล่นพอเขาละเล่นขึ้นมา ตั้งตีตะกอนมีจะตบไม้ตกมือหัวเราะแล้วก็ให้รางวัลแก่ผู้ที่เขากระโดดโลดเต้นโล ด, ดผลแสดงโลดผลขึ้นมาอา้าวให้ทิพให้รางวัลแต่วันนั้นบา ร, รมีของท่านโมกคารากรสาริบุตรหนแก่กล้าขึ้นมาพอเห็นพวกนั้นแสดงอย่างไงโมกคารากระสาริบุตรได้นั่งช่ย ไม่แสดงความกระตือรือร้นไม่แสดงความพอใจหรือไม่พอใจมิเตมองเฉยพราะโมกคลากรเลยถามพระสารีบุตรว่าเพราะเป็นเพื่อนกันเน่ะแต่นี่ยมันยังไม่เป็นพระเนอะเป็นเพื่อนหนุ่มสารีบุตรกับหนุ่มโมกคลาโมกคลากรเลยถามหนุ่มสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรทำไมวันนี้ท่านจึงเฉยเฉยเม่อยเมื่อยไม่ท่านไม่ได้แสดงอะไร ก, กับกิริยาอะไรภาษาริบุตรเอ้ผมแปลกวันนี้ผมมองเห็นคนทั้งหลายกระโดดโลดเต้นอย่างนี้คนทุกหลายทั้งปวงทั้งมวลเนี่ยจะต้องตายทั้งหมดแล้วไม่รู้จะกระโดดโลดเต้นไม่รู้จะสนุกสนานไปเพื่ออะไรอีกสักวันหนึ่งทุกคนจะต้องตายผมระลึกถึงมรณะภัยระลึกถึงระลึกถึงความตายแล้วผมก็เลยใจผมก็เลยเฉยเยหนึ่งหนึ่งวันนี้ ถึงเขาจะกระโดดโลดเต้นอย่างไงจะแสดงอย่างไงผมเองก็ไม่มีความกระตือรือร้นเอเหมือนเหมือนครั้งก่อนๆแต่กระผมก็มองเห็นโหมขาลาเหมือนกันเพื่อนทําไมท่านคุณก็เหมือนเก็บเงียบปนนีวะเวลาเขากระโดดโลดเต้นอะไรขึ้นมาเขาแสดงโลดผลคุณไม่เหมือนแต่ก่อนวันทําไมาผมก็คิดเหมือนกันนะท่านนะคุณนะ่ะ ผมก็คิดอย่างที่ท่านคิดเดียเ๋ยวนียมันมองมองเห็นเขาเลยอันไหนคือความสนุกมันไม่เห็นความสนุกเลยทุกคนก็พร้อมที่จะตายด้วยกันทุกคนเพราะนั้นสนุกสนุกไปถึงวันตายก็ไม่รู้สนุกไปทำไมเออถ้าอย่างนั้นก็เราควรไปหนีไปบวชวะไปหาสวสวงหาอาจารย์หาทางวะ อยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมใช่ตกลงกันพอตกลงกันเลยหนีไปบวชไปบวชเป็นปริพาชกที่อหนปริพาชกเป็นฤาษีลักษณะคนในสมัยนั้นเขาบวชเป็นปริพาชกใส่หนวดเขา่าพลุงพลังเออแล้วก็ไปสะแสวงหาอาจารย์มาเลยไปอยู่กับสันใสฉันใสปริพาชกเป็นอาจารย์อยู่ในกรุงราชคือ มีบริวารถึงห้าร้อยสนใัยดังในยุคสมัยนั้นก็เข้าไปศึกษาก็ไปศึกษาสนใัยถามว่าอันไหนคือจุดยืนของท่านที่ท่านได้ปฏิบัติทำมาหรือว่าแนวความคิดของท่านที่เป็นจุดยืนของท่านที่ลึกซึ้งนั่นคืออะไรภาษาลิบุตรท่านหาตนตอนเรียว่าเรียงให้ท่านเรียงลาดับให้ฟังว่าแนวความคิดของ ชันชัยปริภาชกเนี่ยอันไหนคือจุดยืนที่ทมที่ท่านได้ปฏิบัติมาเนี่ยคืออะไรชันชัยก็บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เราไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อันไีนก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่รู้อะไรไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีก สารีบุตรงงงงแตกเลยมีปัญญาหาทางออกไปได้โอ้สับสนอโมคละสับสนไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ของเราในลักษณะอย่างนี้เอมีปฏิวิเศษไปหมดไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่อีกไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่อีกแค่นําเข้าไปอีกนียผลที่สุก็เลยไปสะแสวงหาอาจารย์วันหนึ่งพระโมคละภาษาสารีบุตรเดินไปไปเห็นพระอัจฉริยะ พระอา ช, ชิชิสมัยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและก็มาโปรดปัญจวัคคีทั้ง5โกนธัญญะวะปะพัทธิยะมหานามาอา ช, ชิชิมี5องค์จากนั้นพ ร, พ, พระพุทธเจ้าก็พร้อมกับพระสาวกทั้ง5องค์รวมแล้วเป็นพระหรันได้อุบัติขึ้นในโลก6องค์กับพระพุทธเจ้าต่างองค์ก็ต่างแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนา ไปคนละทิศ ท, ทางกันไม่ให้ไปในในทางเดียวกันแต่นี้พระทั้งห้ารูปทั้งไปคนละทางกันแต่นี้พระอจิชิองค์สุดท้ายเนี่ยโกนทัญยาวะปะพัทธิยะมหานามะอจิชิเนี่ยอจิชิองค์สุดท้ายเนี่ยท่านก็เข้าไปบินธบาตในกรุงราชจะคือพอกรุงราชจะคือระสาลิบุตรที่เป็นปริพายชกเนี่ยเห็นพระอจิ ช, ชิเดินมา อ, อพระองค์นี้ ดูแล้วก็สํารวมอากับกิรลยาหน้าเรื่มใสเวลารับบิดาบาศก็เดินเข้าไปก็พอเหมาะแล้วก็เดินเปิดฟ้าบาทก็มีสติแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ถอยหลังออกมาดูแล้วก็มีสติพระองค์นี้แปลกนักบวชองค์นี้แปลกนักพรตองค์นี้จากนั้นก็พยายามสะกดรอยตามพระอาจ ช, ชิเดินตามหลังไปเดินเดินเดิ น, ดนตามหลังไปเรื่อย พอพระอาชาชิได้รับบาตอาหารเพียงพอสําหรับท่านท่านขออาหารสําหรับพอวันวันนี้ที่เขาใส่บาตเข้ามาเพียงพอจากนั้นท่านก็เดินออกไปนอกบ้านนอกนอกที่ชุมชนพอออกเดินไปสาริบุต็เดินตามสะกดรอยไปกับชั้นชิดเข้าไปเรื่อยๆใกล้ๆเข้าไปพระอาชาชิ้ท่านก็มองหาที่นั่งทีนะี่มองหาที่นั่ง โคลนต้นไม้เพราะท่านไม่ไ ม, มีสาะลงสระยาอย่างพวกเราทังพวกเราไปบินธบาตกลับมาก็มาฉันที่สาลาแต่นั้นท่านไม่มีวัดท่านก็บินธบาตเสร็จแล้วท่านก็อไปหาที่ว่างๆหาโคลนต้นไม้ที่ไหนที่ว่างๆที่ไม่มีสิ่งปฏิกูลไม่มีขี่มา้าขี่หมูพูดง่ายๆไม่มีขี่คนท่านก็หาที่นั่งของท่าน ท่านหนุ่มสารีบุตรที่เป็นปริพาชกเนี่ยเห็นท่านกําลังมองซ้ายมองขวาหาที่นั่งสารีบุตรก็ไปหาใบไม้กิ่งไม้มารองรองแล้วก็ปูอาสนะให้ท่านนั่ง อ, อพระอาชิชิท่านก็เดินเดินั่งพอ n ั่งเสร็จแล้วปริพายโชคเขามีน้ําติดตัวไปด้วยเขากดเอาน้ําลินน้ําถวายอาชิชิพระอาชิชิเพร่ออาชิชิท่านก็ทําหน้าที่ฉันอาหาร พอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสารีบุตรก็นั่งดูอากับกิริยาที่ท่านฉันอาหารเออท่านองค์นี้น่าเลื่อมใสนักบวชท่านนี่อากับกิริยาของท่านเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอจากนั้นเมื่อฉันเสร็จแล้วน้ำเอน้าล้างมือถวายท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็ปิดบาทพระสารีบุตรก็ถามว่าท่านท่านครับ ท่านบวชในศาสนาใครท่านมีธรรมะอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้าน จ, จิตใจผมอยากจะถามแนวจุดยืนของท่านท่านเลื่อมใสศรัทธาหรือท่านปฏิบัติอย่างไรในตัวของท่านบอกให้ผมบอกให้โยมได้ไหมพระอาจ ช, ชีก็ทอมตนอีกเลยบอกว่าโยมอาตมาเพิ่งบวชใหม่ที่จะตอบอะไรให้ฉ่ำชานกว้างขวาง ก็คงจะตอบไม่ได้เพราะว่าบวชใหม่ท่านบวชจากใครพ ร, ระคุณท่านพระอาชชีก็บอกว่าเราบวชจากสำนักพระโคโดมพุทธทเจ้าสำนักพระโคโดมพุทธทเจ้าพราะพุทธทเจ้าเป็นพระอาจารย์ของอัตมาภาพอัตมาภาพเพิ่งบวชใหม่แล้วขอให้ท่านพูดให้ฟังดูซิว่าพระอาจารย์สอนท่านสอนอย่างไรที่ท่านได้รับธรรมจากพระอาจารย์มาเนี่ย มีอะไรบ้างที่จะบอกให้ต่อให้โยมฟังได้ไหมทั้งที่พระอาจา ช, ชิท่านเป็นพระรหันต์ท่านก็ถ่อมตนนะเพราะว่าท่านรู้แล้วเนี่ยคือสารีบุตรเป็นที่เรื่องรือในกรุงราชจะคือเป็นผู้มีปัญญาพระอาจาชิก็บอกว่าอาตมาไม่สามารถที่จะอธิบายให้กว้างขวางละเอียดละออได้สารีบุตรกขาบอกผมสารีบุตรพร้อมที่จะรับได้ทุก คำพูดขอให้ท่านพูดเอาใจความให้ผมฟังก็แล้วกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนหัวใจจริงๆนะั่นคืออะไรพระอาจารชี้ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกสอนสาวกของท่านว่าออรู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นไม่ให้ความสําคัญในการเห็นและการรู้นั้นนี่แหะคือหัวใจ พอภาษาลบุตรได้ฟังเพียงแค่นั้นหน่อได้สําเร็จพรัสดาบัตนะนะให้เขา้าว่าท่านดิ่งถึงใจเลยเลยรู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นไม่เห็นความสําคัญในการเห็นและการรู้นั้นอจุดนี้แหละภาษาลิบุตรได้สําเร็จสรุปแล้วก็คือเรื่องของใจแต่คําพูดหลวงพ่อเนี่ยอาจจะไม่ตรงเป๊ะไม่ตรงเพนแต่ว่าแนวนทางที่พระอาจารยชีสอนในท่านสอนลักษณะอย่างนี้บอกกับภาษาลิบุตร จากนั้นก็โอ้ท่านครับพุทธเจ้าเสด็จประทับที่ไหนอที่วัดป่าเวลุวันพระอัจฉริก็บอกวัดป่าเวลุวันโอ้ท่านงั้นเดี๋ยวผมจะไปหาท่านกราบขอพระคุณอย่างมากครับพระคุณท่านจากนั้นก็มาบอกมาหาพระโมกคลาอีกโมกพระโมกคลาเห็นสารีบุตรวันนั้นโอสดชื่นแจ่มใสามากราเริงในการเป็นอยู่พอเข้ามาหาเออท่าน สารีบุตรคุณสารีบุตรมีอะไรไหมวันนี้รู้สึกว่าท่านสดชื่นแจ่มใสมากๆไอ้พระสารีบุตรก็บอกว่าใช่ได้ที่เพื่อนเอาฟังเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก็พูดอย่างที่ตัวเองได้ยินจากพระเจชิร์นั่นนะให้พระโมคคราฟังอีกพระโมคคราฟังจบก็ได้สำเร็จพระโสดาบาันอีกเอเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นอีกก็เลยโอ้ ไปกราบพระพุทธเจ้าใชก่อนที่เราจะไปเราควรจะไปบอกอาจารย์ของเราซะก่อนสัญชัยปริพาชกชักชวนเขาไปด้วยวะ่พะพอดูดูแล้วเขาพูดอะไรก็สับสนมากไม่มีจุดยืนเลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องอะไรวะป่ะเราก็ไปหาท่านก็เลยไปบอกกับสัญชัยปริพาชกบอกว่าอาจารย์ผมจะไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า โคดมพุทธเจ้าท่านได้สาเร็จได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นธรรมที่แท้จริงขอให้ท่านไปฟังธรรมด้วยกันอาจารย์สนชัยบอกว่ า, วาเอ้ยเราไม่ไปเพราะเราบวชมานานแล้วเรามีชื่อเสียงโด่งดังทั่วกรุงราชคือเราไปสยบหัวแก่สมณะผู้บวชใหม่ได้อย่างไรเราไม่ไปสั่งสารีบุตรโมฆะละท่านอาจารย์ไม่ไป พวกผมจะไปแล้วนะอาจารย์จะรู้เองว่าอาจารย์เป็นยังไงแต่ตามม่จริงท่านอาจารย์น่าจะไปนะไม่ไปพอไม่ไปแต่ในบริวารของสนชัยปริพาชกห้าร้อยคนพวกผมไปก็เลยแต่คือไปพร้อมกับภาษาริบุตรกับโมกขลาที่นี่สนชัก็เโอ้พอลุกสิทธิ์ไปหมดท่านนั้นนะเสีย อ, อกเสียใจกระอากเลือดเลยตายเลยเอ อากอาอักเลือดตายเพราะเสียใจมากที่ลูกศิษย์ของตนเองบริวารทั้งห้าร้อยหนีไปเพิบเดียวกับโมกขาลาสาลิบุตรพอจากนั้นพระองค์พอไปกราบพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังลูกน้องปริพาชกของสนชัยบวชหมดทั้งตั้งห้าร้อยโมกขาลาสาลีบุตรก็บวชเหมือนกันแต่บวชเข้ามาแล้วพระโมกคลาเนี่ยได้เจ็ดวัน ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ใ่บอมเพรถึงเจดวันแต่ภาษาริบุตรเนี่ยวดมาถึงสิบห้าวันบอมเพนและบอมเพนอีกไม่ได้สำเร็จแต่วันหนึ่งหลานชายของภาษาริบุตรที่คณขาผู้ไว้เล็บยาวเข้ามากราบพระพุทธเจ้าบอกได้ยินทราบข่าวว่าสาริบุตรหลวงลุงของเราเนี่ยไปสยบไว้แก่สมณะขึ้นเพึ่งเกิดใหม่ คือพระโคดมพุทธเจ้านะพึ่งเกิดใหม่สารีบุตรที่มีปัญญาเรื่องลือดังไปทั่วกรุงราชคกุลทั้งเป็นลูกเศรษฐีด้วยแล้วมาสยบให้แก่สัมณะพึ่งเกิดใหม่ทำใหม่ท่นี้หลานของสารีบุตรนี่ก็ไปไ ป, ไปค้นหาหลวงลวงุงไปค้นไปก็ไปเจอไปเจอก็ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าที่ถ้ำ สุกรขาตากุงราชจะคือพอไปนั่งอยู่ข้างหน้าภาษาลิบุตรถวายงานพัดเนี่ยท่านบวชได้สิบห้าวันถวายงานพัดคงจะร้อนมัน้งถวายงานพัดทีาาคณะค่ะก็ถามปัญหาถามแบบไม่พอใจนะถามแบบถามถามถามถามถา ม, ถามพระองค์ก็ตอบตอบตอบตอบตอบตอบแต่ผลในสุดสรุปแล้วเอาทีาาคณะขะบอกว่า ที่ข้าพเจ้าถามทั้งหมดที่ท่านสมะโคโรมตอบทั้งหมดเข้าพระเจ้าไม่พอใจในการที่ที่ท่านตอบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์บอกว่าทีขณะคะเธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยให้ข้าว่าไม่พอใจสมณพระพุทธเจ้าตอบอย่างไม่พอใจแต่พระพุทธเจ้าย้อนสอนไปว่าทีขณคะ เธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นในใจของเธออีกด้วยพอพูดเท่านั้นภาษาริบุตรที่นั่งฟังอยู่เบื้องหลังที่ถวายงานพัดได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์นี่แหละตอบไปข้างหน้าภาษาลิบุตรได้สําเร็จสรุปแล้วก็คือถึงใจตัดสู้ได้บรรลุธรรมในจุดนั้นนี่แหละอันนี้คือบรรลุธรรมของภาษาริบุตร ได้สิบห้าวันจากนั้นก็ภาษาลิบุตรไปนัชสถานที่ใดทีไหนไปนอนนัชสถานที่ใดได้ทราบข่าวว่าภาษาลิบุตรอยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยออย่างท่านมานอนอยู่ศี่ศาลาของเราเนี่ยวันนี้ทาาา่านก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกหันไปทางบันไดใช่ไหมล่ะหานหน้ากราบแล้วก็ น, นอนต่อมาพระอาจารย์ท่านไปทางทิศเหนือ ภาษาลิบ er ุตรหันศีษะไปทางทิศเหนือกราบหันหัวไปทางหันศีรษะไปทางอัจฉริวันนี้อัจฉริไปทางทิศใต้พระษาลิบุตรก็หันศีษะไปทางทิศใต้ไปหาอาจารย์จนพระภิกษุที่เป็นลูกศิษยานุสิธิ์เป็นลูกศิษย์ของภาษาริบุตรเขาเห็นเออาจารย์ของเรานี่แปลกวันหนึ่งหันศีรษะไปทางหนึ่งวันหนึ่งหันศีษะไปทางหนึ่ง ทำไมวะเอาปอกให้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าภาษาริบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านได้สําเร็จมรรคสนวยผลทําไมถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิวันหนึ่งหันศีษะไปหนึ่งหันไปคนอาทิตย์คนทางทําไมหันศีษะไปทางนั้นพระพุทธเจ้าเรียกภาษาริบุตรเข้ามาถามสลิบุตรเธอทําไมจึงได้หันศีษะไปในทิศาทางแต่และ ว, วันไม่เหมือนกันเพราะเหตุไร ภาราบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมจากท่านอาจารยเป็นอาจารย์คนแรกของกระผมเพราะฉะนั้นกระผมจึงเคารพในธรรมของท่านอาจารยท่านอาจารยอยู่ณสถานถิ่นใดข้าพระองค์ได้หันศีรษะไปทางนั้นเพื่อไปครวะก่อนนอนกับก่อนนอนได้หันศีรษะไปทางท่านอาจาริ ทุกครั้งนี่แหละอันนี้ก็คือพระษาริบุตรถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีเนี่ยถ้าว่าอยู่ทางไหนเละหารจีษะไปทางนั้นอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของพระอรหันต์คือพันภาษาลิบุตรเนี่ยแต่ถ้าว่าทำกุติอแบบไม่คิดไม่อ่านอย่างที่หลวงพ่อพูดอันนั้นเพว่าเซอร์แต่ทําอย่างนั้นลงพอเออเอาภาษาริบุตรท่านพารำแล้วเนี่ยอเป็นทางที่ถูกต้อง พ่แม่ครูบาอาจารย์อยู่ทางไหนแล้วก็หันศีรษะไปทางนั้นไปการาบคารวะท่านด้วยความเคารพพรักนะแต่ถ้าว่าท่านหลวงพ่อเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วหลวงพ่อจะถามท่านสารีบุตรอีกนะสมมุติว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศตะวันออกพระ อ, อาจารย์ิอยู่ทางทิศตะวันตกนะพระสาริบุตรจะหันไปทางไหนท่านหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อเกิดในยุคนั้นนะหลวงพ่อจะถามท่านสารีบุตรดู แต่นี้หลวงพ่อเกิดไม่ทันเหมือนกันแต่ตรงพ่อคิดมีแต่คิดทางหลังท่านนเองนะถ้าจะหันหัวไปทางพระอาจรชิใช่ไหมจะต้องหันเท้ามาทางพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าจะหันศีรษะมาทางพระพุทธเจ้าก็หันเท้าไปทางพระอาจารยเชอแต่ท่านสาธุบุตรก็คงจะตอบ ผ, ผมจะหันหัวไปทางทิศเหนือคงจะว่าอย่างงั้นหรอวันนี้ก็ บอกแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังคือเคารพในครูบาอาจารย์ท่านเคารพถึงขนาดนั้นแหละถึงท่านเป็นพระอระหันต์แล้วเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจา้าเป็นผู้เลิศลองจากพระพุทธเจ้าก็คืออัศภษาษริบุตรถึงท่านขนาดนั้นท่านก็ยังเคารพอาจารย์ของท่านคือท่านอาชชัจฉริอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันไปอยู่กับครูบาอาจารย์ ที่ท่านให้ธรรมะกับเราเราได้รักได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ได้เข้าใจธรรมะจากท่านแล้วก็เคารพนับถือถ้อยคำของท่านอย่าปรามมาท่านอันนี้เป็นเครื่องบอกบอกบอกบง่งหรือบอกกล่าวให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ได้ฟังได้ศึกษาแต่ทั้งนี้ท้งนั้นไม่ใช่หลวงพ่ออินให้ธรรมะหรอจะหันหัวมาหาหลวงพ่ออินหมดไม่ใช่นะจะไปคิดอย่างนั้นนะอันนั้นไม่ถ่ยไม่ถูก ตรงนั่นตรงหันไปศีษะไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะอันนี้คือเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีของพระสาวกหรือท่านผู้ได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมท่านไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งอาจารย์ของท่านไม่ทิ้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านถึงจะอยู่ถ้าจะฐานถินใดตกทุกข์แต่ยากอย่างไรท่านก็ยังยอมรับนับถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ให้ธรรมะน ะ, ะต่อนนี้ไปรับพรอ น, อนโมท น, นาให้พร